การติดต่อกับญาติหลังจากไปจะทำโดยพีชัคคณิศอุทัยวัฒนาอะไรเพราะอยากกลับมาอยู่ด้วยกันอีกเป็นทุกข์หนักอย่างหนึ่งในโลกห่วงใยเพราะไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร ก็เป็นอีกทุกข์หนักอย่างหนึ่งในโลกแต่ถ้าเอาทั้งอาลัยและห่วงใยมารวมกันก็เห็นทีว่าน่าจะเป็นทุกข์หนักที่สุดในโลกหลายคนรู้ทั้งรู้ว่าความตายเป็นการเดินทางเที่ยวเดียวไม่มีเที่ยวกลับหลายคนรู้ทั้งรู้ว่าหลังเผาศพแล้วจะไม่เหลือร่างเดิมลุกขึ้นมาขยับขยืขย่นอีก หลายคนรู้ทั้งรู้ว่าไม่ใช่เรื่องเหมาะที่จะมัวเฝ้าคิดะวงถึงใครในขณะอยู่กันคนละโลกแล้วกลับมาพูดคุยไม่ได้แล้วกลับมาทำดีต่อ ก, กันเหมือนเดิมหรือเพิ่มขึ้นไม่ได้แล้วกลับมาขอโทษหรือขอแก้ตัวไม่ได้แล้วแต่ก็นั่นเองรู้ทั้งรู้ทุกอย่างแค่ไหนก็ไม่อาจห้ามใจครุ่นคิดอยากนั่นอยากนี่ไม่เลิก แม้กระทั่งอยากให้บุคคลอันเป็นที่รักช่วยมาเข้าฝันก็ยังดีบางคนทำใจไม่ได้เสียเงินเสียทองไปพบคนทรงคนนั่งทางในหรือกระทั่งศึกษาวิธีเล่นผีถ้วยแก้วด้วยตนเองเพียงหวังประการเดียวคือได้ติดต่อพูดคุยถามไทสารทุกสุขดิบกับญาติอีกครั้งแม้แต่ครั้งเดียวก็ยังดีอย่างน้อยขอให้ได้รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนเถอะ หรือบางคนตอนแรกไม่ได้อยากอะไรเหมือนทำใจได้หมดแล้วแต่พอฟันเห็นญาติกลับมาหาทีเดียวก็กลายเป็นทำใจไม่ได้อีกต่อไปเนื่องจากญาติมาในสภาพไม่สู้ดีนักเลยกลายเป็นตกอยู่ในอาการหวาดผวาหรือหลอนไม่ทราบจะอยากหนีด้วยความกลัวหรือกล้าเผชิญหน้ากันตรงๆเพื่อช่วยเหลือให้ถูกวิธีอย่างไรดีกันแน่ การพยายามติดต่อกับญาติที่จากโลกนี้ไปแล้วมิใช่วิสัยธรรมชาติและสำหรับกรณีทั่วไปมักมีโทษมากกว่าประโยชน์โดยเฉพาะในกรณีที่ยึดมั่นถือมั่นมากปักใจว่าบุคคลอันเป็นที่รักยังไม่จากไปไหนพอยึดมั่นถือมั่นมากบางทีก็ถึงขั้นคอยเฝ้าพูดเจรจาเฝ้าไถ่ายถามกับลมแรงด้วยความสาคัญว่าคนตายยังวนเวียนอยู่ ทั้ที่ไม่รู้จริงไม่ได้เห็นจริงแต่ยิ่งนานเท่าไหร่ก็ยิ่งเกิดอุปาทานถึกทักเป็นจริ ง, เ ป, รงเป็นจังมากขึ้นเท่านั้นถ้ารู้ตัวล่วงหน้าก่อนผู้ป่วยจะตายว่าคุณเป็นหนึ่งในคนข้างหลังที่ทําใจไม่ได้จริงๆคล้ายจะล้มหมอนนอนเสือ่อหรือตรอมใจตายต า, ยตามไปอีกคนก็มีวิธีที่สร้างสรรค์ที่ป้องกันไม่ให้ตนเองต้องเป็นบ้าเป็นบอ หรือตกอยู่ในอำนาจความโศกเศร้าต้องพึงพาคนทรงหรือพิธีศยศาสตร์ซึ่งคุณไม่มีทางรู้เลยว่าใช้วิธีมืดหรือสว่างอย่างไรได้ผลจริงหรือตามน้ำพริกละลายแม่น้ำกันแน่หลายกรณีถ้าหากมีความสามารถสื่อสารกับญาติต่างโลกได้จริงก็อาจหันมาสนใจธรรมะในเชิงปฏิบัติให้ถึงจิตถึงใจ เพื่อพัฒนาจิตวิญญาณตนเองให้สูงส่งขึ้นตั้งมั่นอยู่ในความดีงามมากขึ้นด้วยความรู้ชัดแล้วว่าชีวิตหลังความตายไม่ใช่เรื่องเหลวไหลจริงๆแล้วทุกคนมีความสามารถในการเป็นฝ่ายรับการติดต่อสื่อสารจากต่างมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มาในรูปของความฝันปัญหาคือคุณเอาแน่เอานอนอะไรจากฝันไม่ได้ คนทั่วไปไม่สามารถแยกญาติถูกว่ามีกระแสจิตจากญาติสะเทือนมากระทบจิตตนจริงๆหรือจิตของตนปรุงแต่งเป็นตูกเป็นตะไปกันเองแน่บางคนเล่าเรื่องความฝันว่าญาติมาบอกนั่นบอกนี่หรือกระทั่งใบหวยให้โชคแล้วถูกต้องใครต่อใครที่ฟังเรื่องเลยเชื่อตามทีนี้พอฝันถึงญาติอีกไม่ว่าจะชัดหรือเลือนราง ก็จะทึกทักตลอดว่าญาติมาหาจริงๆมาใบหัวอีกจริงๆซึ่งพอผิดซ้ำาๆขึ้นมาก็ไปด่าว่าหรือโทษญาติที่มาหลอกมาหลอนให้ซสอีกหากคุณฝึกสัมผัสโดยไม่มีความโลภเจือปนกับทั้งไม่คิดพึ่งพาความฝันมากเกินไปหันมาไว้ใจสัมผัสในขณะตาตื่นเต็มอยู่ในที่สุดความเข้าใจอะไรอะไรแบบคนรู้แจ้งเห็นจริงก็จะเกิดขึ้น แล้วเลิกกลัวแบบไร้เหตุผลหรือถ้าจำเป็นต้องช่วยญาติจริงๆก็ช่วยแบบมีหลักในการวัดผลสำเร็จได้ไม่ใช่ช่วยแล้วต้องคอยะวงสงสัยว่าถึงมือผู้รับหรือไม่ต้องทำความเข้าใจกันตรงนี้ว่าการฝึกต้องเริ่มตั้งแต่ญาติยังมีชีวิตเพื่อให้แน่ใจว่าเกิดสัมผัสถึงกันได้จริงก่อนตายไม่ใช่ต้องไปนั่งสงสัยว่ารู้สึกไปเอง อุปาทานไปเองคนเดียวหรือเปล่าหากต่างฝ่ายต่างยังแข็งแรงยังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมีกำลังวังชาด้วยกันทั้งคู่ได้ยิ่งดีเพราะเท่ากับมีเวลาฝึกมีเวลาทำความคุ้นเคยกับสัมผัสทางจิตวิญญาณมากขึ้นสอบทานกันถึงขั้นมั่นใจว่าต่อให้ไม่เจอหน้าก็สัมผัสกันได้เหมือนอยู่ต่อหน้า